ป่าฤดูร้อนแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันใหม่ได้มาเที่ยวคันแบบฟินๆขันนั้นก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วระหว่างที่เดินชมป่าอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นดังวกวักภรรยาก็บอกสามีว่าเนี่ยเสียงไก่สามีบอกไม่ใช่หรอกเสียงเป็ดไก่นะ เป็ดทั้ง2เถียงก็ตั้งนานพรยาก็ไม่ยอมบอกไก่อยู่นั่นแหละสามีบอกไก่เป็นล้อเอกเอกเอกเป็ดมันล้อแกลรรยาก็ไม่ยอมเลยบอกไก่น่าไก่จนสามีในชักโมโหแล้วตอนแรกอารมณ์ดีๆอยู่เนี่ยเธอรู้ไมเนี่ยเป็ดปอเป็ดเนี่ยตอนนี้อารมณ์ชักอารมณ์ไม่ค่อยดีเดินไปสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีก ภรรยาก็บอกว่าไก่สามีมองที่หน้าภรรยาตอนนี้น้ำตาเธอเรื่มไหลนึกถึงความหลังที่ตอนจีบกันและสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดชีวิตได้สติขึ้นมาเสียงไก่เสียงไก่ยไกอย่างที่เธอว่าแหละเห็นไหมภรรยาบอกว่าเสียงไก่่าไก่แล้วทั้งคู่ก็เดินจูงมือชมป่าอย่างมีความสุข เรื่องกรจกไ้แฮปปี้เพราะไม่จะเป็นไก่หรือเป็ดก็ไปของสมมูททางนั้นที่วัดเซนแห่งหนึง่งมีพระอยู่กันสองลูกพระพี่น้องพระผู้พี่เนี่ยเป็นเจ้าวาดมีปัญญาเฉลียวฉล า, าดส่วนคนน้องพิการตาเดียวแล้วก็เป็นคนที่โง่เขายินมานั้นพเพลินมีพระฤาษะ แวะมาขอพักตามกฎของวัดเซนเนี่ยจะต้องโตธรรมะชนะเจ้าบ้านนะก่อนจึงจะรรมีสิทธิ์พักพระผู้พี่เห็นว่าเย็นแล้วก็อยากให้พระอรุกะพักแต่เขาให้ทาตามกติกาจึงให้ไปโตธรรมะกับพระน้องชายคิดว่ายังไงก็อรุกะคงชนะพระน้องชายได้ทั้งสองก็มาที่ห้องแห่งหนึง่งมาถึงก็มองหน้ากัน โตธมะเนี่ยให้โตเงียบโดยไม่ใช้ไม่ออกเสียงอันนี้เป็นกติกาพระอัรุกะ ก, ก็ชูหนึ่งนิ้วพระตาเดียวก็ชูสองนิ้วพระอัรุกะชูสมนิ้วพระตาเดียวชูกําปั้นขึ้นมาด้วยสีหน้าขึงขังสักพักหนึ่งพระผู้พี่เนี่ยก็แปลกใจที่อยู่ๆพระอรุกะ เดินมาอย่างเร่งรีบอะบอกว่าน้องท่านเก่งมากเลยผมแพ้ดี๋ยวจะไปหาพักที่อื่นพระ พ, พี่ก็แปลกใจแพ้ได้ไงจึงถามพระอุกาตอบว่าผมยกหนึ่งนิ้วหมายความว่าพระพุธน้องท่านชูสองนิ้วก็หมายถึงมีพระพุธต้องมีพระธรรมด้วยผมชูสามนิ้วมีพระพุธพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์ด้วย น้องท่านชูกำปั้นขึ้นหมายถึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยรวมเป็นหนึ่งคือพระรณะตายผมเลยแพ้อย่างราบคาบเลยหลังจากก็กราบลาเดินทางต่อสักพักหนึ่งพระน้องชายก็วิ่งก็ขือกระหอบมาไหนไหนไปไหนละพระพุพิก็ถามเอาชนะแล้วตามหาเขาทำไมเหรอน้อยเราเห็นเป็นอาคดาุ ก, กะ ให้เกียรติดันมาชูหนึ่งนิ้วดูถูกผมว่าผมมีตาเดียวผมก็ชูว่าผมมีสองตานะชูสองนิ้วขึ้นมาไหนมันยังชูสามนิ้วบอกว่าเราสองคนรวมกันมีสามตาตอนที่ผมโมโหผมก็ชูกำปั้นขึ้นว่าจะต่อยแล้วนะมันก็เปิดแนบไปเลยผู้พี่จิงเข้าใจอ๋ออย่างนี้นี่เองคือสองคนนี้ มองต่างมุมคือมีปัญญาต่างกันอันนี้เราจะหาได้จากวัดทั่วไปอยา่างวัดป่าสุกโตนี่ก็มีนะเพราะว่าบางคนนี่คุยธรรมะขั้นปรมัทิต์ขั้นหลุดพ้นหรือหัวสมองมีแต่ธรรมะอ้าปากมาเนื้อธรรมะไหลแต่บางคนก็คุยจะเรื่องฮีโนคาโมอยู่ที่จิตใจเราฝากไยทางไหนแต่บางครั้งก็ต้องดูกระเทศว่าควรคุยหรือไม่ เมื่จะเป็นธรรมะระดับไหนต้องพร้อมทั้งผู้ฟังผู้ให้ผู้รับอันนี้ถึงถูกกราธิษฐานถ้าเกิดไปยัดเยียดธรรมะให้กับคนที่เขามาที่เขาไม่พร้อมอะ่ะเหมือนก็กลายเป็นอะไรทักอย่างที่ไร้ค่าสังคมชาวว่าก็มีอย่างเงี้ยทั่วไปแหละมีความเห็นแตกต่างกันมากแล้วยึดเหตุผลตัวเองว่าเนี่ยฉันนี่ถูกเองละผิดเรื่องต่อมาเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีน วัดเซนแห่งหนึ่งตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะทำวัดเช้าปานตีสจะมีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งส่องส่องโคมไฟเก็บหอยทากแล้วนำไปปล่อยท่านทำอยู่วันแล้ววันเล่าจนไปที่สังเกตของพ่ายรูปหนึ่งท่านเห็นข้าวท่านก็มาตำหนิบอกว่าหอยทากเนี่ย เป็นาหาของโลกทางการโระลงกำจัดทำลายนีท่านช่วยทำให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งพอ่อพันเชื้อโลกไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็สักพักหนึ่งก็มีพระอีกรูปหนึ่งเดินมาเห็นเข้าก็บอกว่าเนี่ยพระองค์นี้บำเพ็ญโพธิสัตว์ช่วยทำให้คนสะดวกในการปฏิบัติธรรมทั้งสามคนก็ เถียงกันต่างคนต่างมีเหตุผลตกลงก็ไม่ได้จึงเดินทางไปไปหาเจ้าวาดให้ท่านตัดสินให้พระรูปแรกก็บอกผมบวดมาตอนแก่ก็ต้องสร้างความดีอ่ะพออายุผมมากแล้วก็ต้องมันทำความดีที่ทั้งที่มีโอกาสอ่ะทั้งทั้งกลางวันกลางคืนการสะสมความดีก็เหมือนน้ำเทียจยดสักวันก็เต็มตุ่ม หลวงพ่อว่าจะเป็นบาปได้ไงครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีถูกถูกของเธอพาลูปอีกรูปหนึ่งที่กล่าวหาก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อวัดเราตอนนี้เป็นแหล่งพาะพันหอยทากการที่เหยียบหอยทากตายเนี่ยถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นบาป เกิดตายไปก็ดีได้ประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่นเพราะจะได้ใบใยขยายพันธุ์สร้างคเดือดร้อนให้กับเกษตรก ร, ษษกรชาวนาชาวไร่เพราะว่าหอยทากเนี่ยกัดกินต้นข้าวและพืชผลต่างๆหลวงพ่อว่าถูกไหมครับหลวงพ่อก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มบอกว่าถูกถูกของเธอพาลูกพี่สามบอกว่าหลวงพ่อ พร ะ, ะท่านนี้ท่านที่นำหอยทากไปปล่อยเนี่ยเพราะท่านเสียหละมีเมตตาเราสรรพสัตว์สละตนเองโดยให้คนอื่นปฏิบัติธรรมแบบสบายเพราะคนที่เหยียบหอยทากตายเนี่ยบางทีจิตมันจิตตกตกจิตเศร้าหมองได้พระท่านนี้ท่านช่วยทุกคนให้ให้มีความสะดกสบายในการปฏิบัติธรรมบาเพ็ญโพิษสัตว์หลวงพ่อว่าถูกต้องไหมครับ หลวงพ่อก็บองหน้าพระท่านนี้บอกถูกถูกของเธอสา ม, มนเณรที่พัดข้างหลงังหลวงพ่ออุปถัมภ์หลวงพ่อเนี่ยได้ได้ยินดังนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะกักคนไม่ไหวไงรือทักท้วงขึ้นบ้างหลวงพ่อหลวงพ่อเอาแต่พูดว่าถูกถูกทุกคนเลยทั้งสามท่านเนี่ยมีถูกก็ต้องมีผิดสิครับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็มองหน้าเนนถูกถูกของเธอเรื่องนี้ก็จบเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วไปบางครั้ง ตามวัดเนี่ยจะมีปัญหาแล้วมีการตัดสินใจตัดสินอธิกรหรือมีความเห็นที่ต่างกันบางครั้งเจ้าวาก็ต้องตัดสินแต่เจ้าวาอาจารย์เซนท่านนิชราดท่านไม่อยู่ในเหตุผลไงท่านก็เลยเอาถูกถูกบทแหละแต่ที่จริงในถูกไม่มผิดอยู่นะอย่างเรนที่เรนพูดก็ถูกอะ่ะแต่ท่านออกจากอารมณ์ถูกอารมณ์ผิดไงก็เลย เลยไม่ทุกถ้าใครยึดในเหตุผลก็ต้องทุกเรื่องต่อมาเรื่องที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ฮากุอินท่านเป็นพระที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายส ม, มะถะมีคนนับถือมากมายชื่อเสียงดงดังที่ใกล้ๆวัดท่านเนี่ยก็มีร้านขายของชำอยู่ร้านหนึ่งตายายเจ้าของร้านเนี่ยมีลูกสาวสวย แล้วอยู่ๆลูกสาวเกิดท้องขึ้นมาตายายโกรธมากทั้งดา่าทั้งตีคัดค้านว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องลูกสาวก็ไม่ยอมตอบค้านถูกบีบค้นานหนักๆเข้าเคยบอกว่าท้องกับอาจารย์ฮาคุอินโอหได้ยินดังนั้นสองตายายโกรธมากไปที่วัดไปหาอาจารย์ฮาคุอินไปถึงก็ด่า อย่างสัสเสียเทเสียจนเหนื่อยอะ่ะอาจารย์ฮาวอีนก็บอกอ๋ออย่างนั้นเลยการเวลาผ่านไปจนหญิงสาวเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายตายายก็นําเด็กนี่แหละมาให้อาจารย์ฮาวอีนเลี้ยงอาจารย์ฮาวอีนก็บอกอ๋ออย่างนั้นเลยแล้วก็รับเลี้ยงเด็กตอนนี้ชื่อเสียของอาจารย์ฮาวอีนปนพี่หมดแล้ว คนก็ประนามกันประทานเนี่ยทุศีลแต่ท่านก็ปฏิบัติธรรมตามปกติในชีวิตประจำวันของท่านนะแต่หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเลี้ยงเด็กขดีที่สุดผ่านไป1ปีเด็กน้อยก็หน้าตาน่ารักฝ่ายแม่เด็กเนี่ยก็ล้อโลนขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยปรับปําพาผู้บริสุทธิ์ไงร้อนตัวจึงสารภาพความจริงบอก บอกว่าท้องกับเนี่ยหนุ่มหาปล า, ข, าข้างบ้านนี่แหละไม่ได้ท้องอาจารย์ฮาวีนหรอกสองคนตายยายแทบช็อกรีบไปที่วัดไปถึงก็กราบขอเข้ามาด้วยความจริงใจขอโทษขอโพลท่ายาวเหยียดเลยอาจารย์ฮาวีนก็บอกอ๋ออย่างนั้นเลยแล้วก็รับเด็กกลับไปเลี้ยงเรื่องนี้ก็จบ อาจารย์ฮาโกอินเนี่ยท่านแทนที่ท่านจะปฏิเสธท่านกลับไม่ปฏิเสธนะคือท่านมองเรื่องธรรมะมองเรื่องความบุญพ้นไงท่านไม่ปฏิเสธทําให้ความจริงมาปรากฏอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวของท่านถ้าไปนคนอื่นเขาไม่ยอมหรอกแต่พระอาจารยอมรับก็ทํา ย, ยากทําได้ยากคือรับยอมรับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ทําผิดอะ่ะจะมีน้อยมากที่ทำแบบอาจารย์ฮาโกอิน เรื่องต่อมานี่ก็ไปเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่แหละเรื่องนี้อาามาเล่าบ่อยแล้วแต่ว่าเผิญมีผ้าใหม่อาจจะไม่เคยได้ฟังแล้วก็ญาติโยมบางคนก็ไม่เคยได้ฟังเราก็นํามาเล่าใหม่ก็แล้วกันมีหลวงปู่ท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรท่านเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านชอบพูดคําว่าดีเนาะจนติดปาก จนชาวบ้านเนี่ยเรียกท่านว่าหลวงพ่อดีนอนเนาะบางคนเรียกหลวงปู่ดีเนาะพรท่านอายุเยอะแล้วครั้งหนึ่งหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยเดินไปวิสาบาัดแล้วพอเออนเด็กมันเฟี้ยงหินใส่การผ้ามอโดนโดนหน้าหลวงปู่แล้ ว, แ, ลวแถวหน้าผากกัแล้ ว, ลวจนหน้าผากแตกเลือดไหลาชาวบ้านตกใจด่าเด็กแล้วก็รีบไปทําแผลท่าน ท่าี้ท่านจะโกรธท่านก็บอกก็ดีเนาะที่ไปโดนตาต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์นิมนท่านไปบรรยายธรรมและฉันเพลงบ้านที่นินมนตอยู่ไกลทางเจ้าภาพก็สัญญาว่าจะรับแต่เช้าเลยหลวงปู่ก็ตั้งใจไปฉันที่บ้านเจ้าภาพอะ่ะรอเท่าไหร่เท่าไหร่ เจ้าภาพก็ยังไม่มาเพราะรถเสียท่านก็นำอาหารที่บินตาบาทแล้วแล้วบอกฉันอาหารของเราเองก็ดีเนาะตักอาหารเข้าปากได้ไปกี่คำลูกศิษย์ก็มาถึงก็บอกให้หลวงปู่รีบไปหลวงปู่วางช้อนบอกฉันบ้านงานก็ดีเนาะนั่งรถไปได้ละพักหนึ่งรถก็ดับหลวงปู่ก็เอ่ยขึ้นว่า ก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางคนขับเนี่ยลงไปซ่อมอะซ่อมอไรรถก็ไม่ติดมาขอให้หลวงปู่เนี่ยช่วยเข็นตอนนั้นหลวงปู่ก็อายุเยอะแล้วปู่บอกก็ดีเนาะได้ขอร่างกายก็ลงไปช่วยเข็นได้จะรถติดขันถึงบ้านงานก็เลยเที่ยงหลวงปู่และอดชั้นเพลยเลยแต่หลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ว่าอะไรเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นทํา ม, มาสต์แซงทำหลวงปู่บอกก็ดีเนามาถึงได้ทาหน้าที่เลย ระหว่างที่พูดธรรมะอยู่เนี่ยลูกศิษย์ก็นำกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนจึงหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงปู่ฉันไม่ได้คำหนึ่งก็วางไว้หลวงปู่เปเกจีอาจารย์ชื่อดังลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ทานกาแฟเหลือก็รู้สึกว่ามาขอทานบ้างเพื่อได้ไปสิมงคลทานไม่ได้คำหนึ่งก็พ้นพูดอะบมไปเลยบอกหลวงปู่ทายไปได้งไงอะคิดี หลวงปู่ก็ยิ้มๆก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วฉันกาแฟเค็มๆบ้างก็ดีเนาะท่านมองอะไรก็ดีเนาะหมดมองในแงด่ดีด้วยความที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยโจคนหนึ่งก็หมายปองนะว่าท่านเนี่ยจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากมีลักษณะเยอะก็หาโอกาสนั่นแหละที่มาปลท่านแล้ววันหนึ่งก็ได้โอกาสขณะที่ท่านกําลังอยู่ที่กุฏิ โจรมาถึงก็ข่มขู่เลยมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เอามาให้หมดมันงั้นตายหลวงปู่ก็บอกหน้าโจรแบบยิ้มๆแล้วบอกเอ็งจะเอาอะไรขนไปเลยค่าเบื่อเฝ้าสมบัติบ้านนี้เต็มทีทละโจรมันก็บอกไม่ได้แค่ปล้นต้องค่าด้วยนะต้องปิดปากเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจหลวงปู่บอกก็ดีเนาะข่าเนี่ยแก่มากแล้ว ต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมทุกวันทุกวันเองฆ่าฆ่าก็ดีนะนเนาะโจรในยีนนั้นก็ใจอ่อนสงสารบอกถ้างั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่ก็บอกว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรก็หลวงปู่จะเอาไงฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะเนี่ยหลวงปู่อธิบายว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องทำบาด ท, ทำกรรมต้องถูก ตำรวจเนี่ยตามจับเพเผอเองก็โดนตำรวจฆ่าตายตายแล้วก็ต้องไปตกอาลกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเองไม่ฆ่าเนี่ยจริงดีเนาะโจรฟังแล้วได้คิดก็เลยไม่ปล้นไม่ฆ่ากลับไปกลับไปตัวเปล่าเพราะว่าไม่เคยเจอคนอยากเพาะอย่างปูป่ดีเนาะคือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยท่านเกิด2 4ง้า ธรรมรณภาพปี2 5 1หนึ่งสที่วัดปชิมาว่าจังหวัดอุดรก็เป็นเจ้าคุณชั้นเทพอะพระเทพวิสุทธิธาจารย์สาสาธุอุทานธรรมวาทีเกิดก็แบบคนเขาเรียกหลวงปู่ดีเนาะเพราะว่าในหลวงไปเยี่ยมแล้วญาติโยมเขาไม่ให้พูดกันในหลวงไงเพราะกลัวไปพูดดีเนาะ ก, กันในหลวงไงจนในหลวงเนี่ย สงสัยเอ๊ะทำไมหลวงปู่ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่พูดสทัทีก็เลยให้คนที่ติตามเนี่ยถามก็เลยรู้ว่าอ๋ออยากโยมไม่ให้พูดแต่หลวงปู่ก็พูดดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงก็เลยตอนหลังก็เลยตั้งฉายานี่แหละคือถ้าคิดแบบหลวงปู่ดีเนาะนี่มีความสุขนะเกิด อ, อะไรขึ้นเนี่ยปัญหาผ่านได้หมดเพราะเราเนี่ยอยู่ในโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ มีศสนามีนธาเนี่ยสิ่งที่ไม่สมหวังกับเราดมีมากกว่าสมหวังแต่และ ว, วันถ้าเราบอกโลกดอะไรแง่ดีเราก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะว่าไม่สมหวังกับคนเพราะคนทุกคนก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีใครทำให้เราได้รางใจลทุกครั้งหรอกเดี๋ยวก็ขาดใจใเราธรรมชาติก็เหมือนกันธรรมชาติช่วงนี้ก็ฝน ไม่ตกต้นไม้มองไปทางไหนก็ใบเหลืองแห้งเหี่ยวน้ําในสระวัดเราก็เหลือน้อยเราก็ต้องประหยัดน้ําอย่างอัตมาก็ใช้น้ําประหยัดตอนหลังก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่ก็เวลาซักผ้าเสร็จก็นานําน้ํา น, น, นี่แหละมาลดต้นไม้ทุกทุกหยดมีคุณค่าเหตุการณ์ที่ขายปีห้าหกปีห้าหกเนี่ยถ้าเราลงที่สะพานเนี่ยจะแห้งเลยมีดอกบัวผุดขึ้นมา ที่ใต้ถุนสารน้ำก็แห้งเกาะก็ล อ, อ, อยเกาะกลางเน่เดินลงไปสบายๆเลยแล้วฝนจะตกอีกทีก็เดือนกันยาแต่ตอนนี้ถ้าถ้าดูจากปีห6เนี่ยวัดเราก็ยังไม่วิกฤตนะเพราะ56วิกฤตกว่าแต่มาฟื้นตอนเดือนกันยาฝนฝนช้าเดือนหนึ่งแล้วก็เต็มสะเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเต็มสะหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งนอกตัวเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ถ้าฝนตกหนักพวกโยมก็ต้องเตรียมโดนยุงกัดได้เพราะยุงที่หอตายตัวโตนั่นเลยธรรมชาติไม่ให้เราสบายหรอกยุงที่นี่ดุมากกัดแหลกแล้วก็สัตว์อื่นๆเช่นนอนมแมลงก็จะบรรุงกินต้นไม้ที่เราปลูกไส้ดงไส้เดือนก็ช่วงนี้ไม่มีไม่เห็นแต่ถ้าฝนตกจะเห็นแล้วก็โผบาทีก็ตอนหน้าหนาวคือออกมาตาย ธรรมชาติก็สอนธรรมะเอาตลอดเวลาใหเห็นความไม่เที่ยงตอกไม้ที่เราเห็นว่าสวยงามไม่กี่วันก็เหี่ยวคนคนนี่ก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกเราอยู่ด้วยการมาจากหลายที่เนี่ยก็ต่างทิฏฐิต่างความเห็นเวลาคุยกันถ้าเรายึดเหุผลเนี่ยมันก็มีการเอาแพ้เอาชนะเอาผิดเอาถูกขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติ เราก็เออไปใครอยากทํำเลยเอาที่สบายใจเราก็หลุดจากปัญหาได้ความขัดแย้งก็ไปเกิดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ให้ถูกข์กเขาคนอื่นในะใครเป็นไงเราก็ต้องเอาที่สบายใจเพราะการทําการกระทําทุกชนิดมีกรรมแฝงอยู่ถ้าใครทําดีคนนั้นก็ได้รับกรรมดีเจอชีวิตเจริญรุ่งเรืองใครทําไม่ดีชีวิตก็ทุกข์ลำบากชีวิต ไม่ก้าวหน้าอย่างพวกพระทาขยันทำวัดมาเองนะไม่ได้บังคับให้มาเนี่ยขาจะทำให้เป็นคนที่ได้เป็นยาได้ฟังธรรมได้สวดมนต์จิตใจตื่นตัวได้รับการเรียนรู้แต่ถ้าพวกขี้เกียจพอขี้เกียจครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้ขี้เกียจต่อไปเรื่อยเวลาเราโกรธหนึ่งครั้งความโกรธก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยวเวลาคิดลบคิดอะไรที่ปแอกุศนเนี่ย เมื่อเราเติมเชื่อมาไงมันก็มีกําลังขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดบวกคิดดีคิดกุศลเนี่ยหรือทําความดีความดีแล้วก็ช่วยเราทําดียิ่งขึ้นเหมือนกับความดีต่อความดีความชั่วต่อความชั่วอันจิตเป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องคบกัลยาณมิตรเพรครบกัลยาณมิตรเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดกําลังใจกําลังใจในการทําความดีกําลังใจในการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราไปคบคนที่คบคนที่แบบอันตพาลอันตรพาลนที่นี้ไม่ได้ถึงไปตีลานฟันแทงนะอาจจะอันธราลทางความคิดหรือทิฏฐิอ่ะหรือขี้เกียจเราก็จะขี้เกียจตามทำให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมยากทำอะไรก็ล้มเหลวเพราะการครบกันแบบนี้สำคัญการไม่ยึดเหตุผลไม่เอาถูกเอาผิดนี่ก็สำคัญทำให้เราเนี่ยปัญหาชีวิตน้อยลง เมื่อสมัยก่อนอามาอยู่วัดถ่อสัพพัดดีเนี่ยวันนี้เค็งมากบางทีถึงว่นปาริโมกเลยพระทะเลาะ ก, กันแทบทุกครั้งเลยทะเลาะ ก, กันไอคนนี้ทําผิดศีนะอาบัตินะคนนี้เป็นงู้นเป็นนงงี้นะบางทีพระให้ไต่อยกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันไงอามาได้เกิดไปกรรมการห้ามวยหลายครัง้งแล้วเพราะความยึดในฟาร์มถูกต้องไง แต่ส่วนม า, มากก็เกิดกับพระใหม่นะพระเก่าเก่านี่เขาเก่าแล้วเขาตัวรอดแจะไม่ค่อยจไม่ค่อยยึดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่พระใหม่บางทีไม่ได้นะไอ้ น, นี้ทําให้ถูกนะภรษายังไม่ถึงห้าเนี่ยอันตรายอาจจะติดเรื่องพวกนี้แหละเรื่องความถูกต้องเรื่องความความเห็นตัวเองหรือบางทีก็เที่ยวตั้งให้คนนู้คนคนี้เป็นอริยะทั้งที่ไม่รู้จักเขาเขามีไอนน้โยมก็เป็นบางทีคนนอุ้ยอาจารย์เรานะแตะไม่ได้นะอริยะนะนี่ ทั้งี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักเลยก็มีประเดยดยึ ด, ย, ดยึดเพราะฟังเขาเล่ากันมาว่าคนนี้แหะใช่เลยตรงตรงกับกิเลสเราคนนี้อรารยะเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มักเกิดในวัดแต่ถ้านอกวัดไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้จะไปยึดเรื่องเหตุผลทางการเมืองบ้างอย่างอื่นบ้างมันก็แตกต่าง ก, กันไปวันนี้อาจารย์อ๋อ ก, ก็ก็สวดมนต์พัทเทก ร, รัตตาคาถาก็ให้เราเนี่ยอย่าไปคิดถึงอดีต เอาดีมาเป็นทุกข์อย่าไปวาดฝันถึงอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนี่แหละจะทำให้เรามีความสุขก่อนจบท่องกรพระธิกราธยมฟังกอนนี้หลวงพ่อพุทธทาแต่งไว้สิ่งล่วงล่วงแล้วไปอย่าฝ่ายหาที่ไม่มาก็อย่าพึงคดึงหวังอันวันวา น, วานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลย ผู้ดายเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันในเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่แง่งงอนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเลยยิ่งเล้าให้ก้าวไปวันนี้เองเล่งกระทาซึ่งหน้าที่อันความตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้พอไม่อาจบอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามัน ผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาราตีแข็งขยันนั่นแหละผู้พัฒเทกรัฐอันสัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยขอความสุขความเจริยธรรมจงมีแง่ญาติโยม